ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชาวพุทีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเทระจริงหรือพวกพิสุชาวพุทีทูลนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพรุฑเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย